ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งกว่านั้นที่มีในคัมภีร์อัลกรุรอานมีอย่างน้อยสองอย่างมีอย่างน้อยสองอย่างในกุรอานที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ว่ามันเกินจินตนาการรู้ไหมครับว่าอัลลอ์ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาแล้วมีคนอยู่สองกลุ่มที่สามารถทำลายกุรอานได้มีคนอยู่สองกลุ่ม หนคนกับหนึ่งกลุ่มพูดงนี้ถึงจะถูกกว่ามีคนหนึ่งคนกับอีกหนึ่งกลุ่มที่สามารถที่จะหักหล้างอิสลามได้แบบสิ้นเชิงเลยรู้ไหมครับเขาคือใครคนแรกคืออบูละฮับอบูละฮับลุงของท่านลบี๋ยทำไมผมจึงบอกว่าเขาคือคนที่สามารถหักหล้างกุลานได้เลยเพราะอัลลอฮฺประทานคัมภีร์กุลารนว่าไงครับตับเจเดออบบีละฮับิุวะตับ ความหายนะจะเกิดขึ้นแก่อบูละฮับแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในสุลต่าอบูละฮับเพื่อเลื่อนรับประการเลี้ยงอบูละฮับต้องเป็นกาเฟตจนเสียชีวิตที่ผมบอกว่าอบูละฮับสามารถทำลายอิสลามได้ก็คือสมมุติสมมุติถ้าอับูละฮับยอมเข้ารับอิสลามสมมุติอบูละฮับยอมเข้าัอิสลามอบูละฮับจะสามารถพูดได้เลยว่านี่ไงกุลานผิดแล้วเพราะกุลานบอกว่าฉันต้องพบความหายหน้าตอนนี้ฉันเป็นมุสลิมนี่ แปลว่ากุฎานเชื่อไม่ได้อบูรฮับสามารถทําลายกุฎานได้ไหมทำลายได้แต่เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่เรารู้ mm hmm. อย่างแท้จริงอัลลอฮ์รู้ว่าบูลฮับไม่มีทางจะเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์ประทานยักกุฎานไม่เห็นตรงหน้าเลยบอกว่าถ้าอยากจะทําลายแค่เป็นอิสลามเจ้าทำลายอิสลามได้เลยแต่บูรฮับก็คิดไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถทำลายอิสลามได้แต่เขาไม่คิดจะทําเลยทั้งๆ ท, ที่เขาเกลียดอิสลามมากที่สุดในโลกคือกลุ่มชนชาวยิู พอละบอกว่าไงครับอัลลอ์บอกว่าเจ้าจะพบว่ากลุ่มชนที่เกียดชังมุสลิมที่สุดคือกลุ่มชนยูอัลลอฮ์พูดไว้ในกุรอานเมื่อพันสี่กว่าปีที่แล้วถ้าชาวยูอยากจะทำลายอิสลามง่ายนิดเดียวแก้งทำดีกับมุสลิมบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะอีกร้อยปีนี้ เ, นเราจะดีกันนะฉันจะให้ความช่วยเหลือเธอนะมีอะไรฉันจะช่วยเต็มที่ถ้ายูทำดีกับมุสลิมแปลว่ากุรอานผิดถูกไหมครับ พอล้ท้าทายไ้เลยว่าไม่มีทางที่กลุ่มยูจะทำดีกับมุสลิมอันนี้คือมั่วติสสารสิ่งที่แรดงถึงปาฏิหาริย์หรือพิห า, หารก็คือว่าเอาละให้วิธีทำลายอิสลามมาอยู่ต่อหน้าแล้วเกียิอิสลามนักใช่ไหมอยากทำลายอิสลามนักใช่ไหมแก้งทำเป็นคนดีสัก10ปีสิแต่ยูไม่เคยทำดีเลยกับมุสลิม มันเป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นมุจิศาสที่เอาล้อท้าทายไว้ก็คือว่าข้อเท็จจริงที่อยู่ในนั้นเป็นจริงจริงๆต่อให้คนที่อยากจะหักล้างเขาก็ไม่คิดที่จะหักล้างมันอันนี้คือมุจิศาสรหรือว่าปาฏิหาริย์อีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดที่เอาล้อท้าทายไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเมื่อกี้คือท้าทายแค่อบูละฮับกับยูการท้าทายต่อมาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ท้าทายคนทั้งโลก นับตั้งแต่ยุคสมัยท่านอบีุลมฮัมหมัดสลลาะของอาหับอิสลามจนถึงปัจจุบันอัลลอฮ์บอกวิธีทำลายอิสลามเอาไว้เกียดอิสลามใช่ไหมอยากทำลายไม่อยากอันแรกนี่คือให้อบูละฮับข้อรับอิสลามมันไม่เข้ารับหมดสิทธิ์ทำลายอิสลามแล้วอันที่สองให้ยูทำดีกับมุสลิมยูมันก็ไม่เลือกที่จะทำดีกับมุสลิมเพราะมันเกลียดมุสลิมจริงๆก็แปลว่าหมดสิทธิ์ทำลายแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสทำลายอิสลามอีกโอกาสหนึ่งในคัมภีร์ของกุรานอัลลอฮ์บอกไงครับ หากเจ้ามีความสงสัยในสิ่งที่ข้าประทานมาให้กับบ่าวของข้าก็คือสงสัยในกุรานให้แต่งคำพีมาซักเล่มให้มีความสวยงามเหมือนกับกุรานเ <m> พราะว่าในสมัยท่านอบบีม้สลลอฮองัสัลลัมเป็นยุคที่ว่าคนเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องภาษามากคือคนปัจจุบันเนี่ยพูดชัดไม่เท่าคนสมัยก่อนนะ ภาษา阿拉伯สุภาล้อเป็นภาษาที่แปลกประหลาดมากคือภาษาทุกภาษาทั่วโลกภาษาโบราณมันจะดูล้าหลังถูกไหมครับอย่างภาษาไทยถ้าเราไปดูภาษายุคพ่อขุนรามหรืออะไรก็ตามสำนวนมาดูล้าหลังสำนวนมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอังกฤษก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยแต่สำนวนอาหรับที่อัลลอฮ์ใช้ในกรุรอานเมื่อพันศึกระกปีที่แล้วเป็นสำนวนที่มีความสละสลวยที่แม้แต่คนในยุคปัจจุบันก็ไม่สามารถพูดได้เหน เอาละท้าทายคนยุค ก, ก่อนว่าไงถ้าเจ้าคิดว่าคุรานไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่งคำภีร์สักเล่มที่มีความสวยงามทางด้านภาษาเหมือนกับคุรานเอาละท้าทายไว้สามครั้งครั้งแรกเอาละบอกไงครับแต่งมาสักเล่มทําไม่ได้ใช่ไหมเอาละบอกว่าแต่งมาสักสิบบทกุรานมีกี่บทครับหนึ่งร้อยสิบสี่บทหนึ่งรอยสิบี่บทอาละบอกไงแต่งแค่สิบบท ผลสุดท้ายครับไม่มีใครทาได้อัลลอฮบอกว่าขอแต่งแค่บทเดียวแต่งอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาหลับให้มีสำนวนไพระเที่ยวเทียมกับอัลกุรอานหนึ่งบทกุรอานที่สั้นที่สุดบทไหนครับอินาอนาตนาเราอ่านกันบ่อยนะครับบางทีเวลารีบได้อ่านบ่อยอินนาตอนาีนบิสมิลลาฮิร์มานย์อัลฮิมอินนาตอนาีนักลกอซาฟะสลีรบบิกวันฮรอินนาชาะกะฮวลอัตร สามายะอลัลลอฮ์บอกว่าขอให้คนทั้งโลกรวมตัวกันแต่งสำนวนโวหารแค่สามประโยคให้มีความไพเราะเท่าเทียมกับคุรานอัลลอฮ์ท้าทายมาพัน400ี่รกว่าปีให้กับคนที่เกียรติอิสลามทุกคนบอกว่าหากคุณอยากจะทำลายอิสลามคุณไม่ต้องมาโต้คุณไม่ต้องมาทำอะไรขอแค่แต่งกนสักสามวัให้มีความไพเราะเท่ากุรานถ้าคุณทำได้กุรานไม่ใช่มาจากพระเจ้าโยนกินได้เลย นี่คือปาฏิหาริย์นี่คือมวดจีาตเป็นมวดจีระที่ว่าจะอยู่กับเราไปจนเราเสียชีวิตนั่นแหละเป็นการท้าทายที่ว่าไม่มีใครทําได้บางคนอาจจะสงสัยว่ามันสวยงามหรือว่ามันไพเราะยังไงสำนวนที่มีในกุหาบเนี่ยไพเราะยังไงขอปิดเที่ไมเข้าใจ ง, ง่ายก็คือถ้าเราสังเกตดูทุกภาษาเกือบจะทุกภาษาทั่วโลกเรามีทางเลือกแค่สองทางหากเราอยากจะใช้ถ้อยคําที่มันสวยงาม มันจะเข้าใจยากเราเรียกว่าร้อยกรถูกไหมครับร้อยกรเสียงหรือเสียงเราอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอมยยดไขทั่วลาสองเขือพี่รับไปลืมสือหรือพี่สองพี่คิดเองแ้อย่าได้ถามเผลือกมันค้องจองฟังดูไพเราะแต่ถามว่าเข้าใจง่ายไหมครับยากยากอ่านกอนี่คือบางทีมันอ่านแล้วมันพราะแต่มันไม่เข้าใจมันเข้าใจยากแต่มันสวยงามคือทุกภาษาจะเหมือนกันภาษาจีนก็มีกรจีนถูกไหมครับภาษาญี่ปุ่นก็มีกอรฮายุ ของทางยุโรปทไทยเขาก็มีกรของเขามีรูปแบบของเขาหมายความว่าถ้าคุณเลือกจะเอาความสวยงามทางด้านสำนวนมันจะต้องเข้าใจยากแต่ภาษาจะสวยแต่ถ้าคุณจะเลือกให้เข้าใจง่ายความสวยงามทางภาษาจะลดลงแล้วเรียกว่าร้อยแก้วถูกไหมครับร้อยแก้วกับร้อยกรแต่ในคำปีอัลกุรอาน ถ้าใครก็ตามที่ได้ศึกษาภาษาอาหรับแล้วไปอ่านเขาจะพบว่ามันมีความสวยงามของร้อยกรอนแต่เข้าใจง่ายเหมือนร้อยแก้วมันเป็นสิ่งที่มันเกินความสามารถของม น, นุษย์ไปแล้วเพราะว่าคนที่พูดอาหรับได้ไม่ใช่ใครมุสลิมนะครับภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาของมุสลิมเพราะถ้าเกิดเราไปดูทางโลกอาหรับเราไปดูเยมเมนเราไปดูที่ไหนหลายๆประเทศมีคริสเตียนก็มีบาดหลวงคริสเตียนเวลาที่เขาให้ ทาพิธีของเขาอ่ะก็พูดภาษาอับเนี่แหละคือคนที่พูดภาษาอับแล้วกิ่งภาษาอับมีมากแต่พัน0รกว่าปีที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแต่งสำนวนมีความพยายามครับแต่ว่าเมื่อแต่งปุ๊บเอาไปให้คนอาหรับฟังไม่ต้องให้มุสลิมฟังเอาให้คนที่เป็นภาษาอับฟังเขาฟังแล้วเขาจะรู้เลยว่าความสวยงามมันไม่ได้เท่าพระอาท เพราะฉะนั้นมุ่งจิจัรือว่าปาฏิหาริย์อภินิหารของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านของอาอุสซาลามยังมีจนถึงยุคของเราเราไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเป็นคนยุคอื่นนบีของท่านเสียชีวิตไปปาฏิหาริย์ก็จบไปแล้วแต่ยุคของเราก็คือท่านนบีอัสซัมเสียชีวิตแต่มันยังอยู่อยากรู้ผู้เปิดกุรอานแล้วก็สําหรับมุสลิมสุบฮานาล้อครับผมคิดว่าหลายๆท่านได้สัมผัสกับตัวเองมาแล้ว คำพีกู้อ่านเป็นคำพีที่วส่วนใหญ่แล้วอ่านแล้วเราไม่เข้าใจถูกไหมครับเราเราไม่ใช่ภาษาหลับเป็นส่วนใหญ่แต่เวลาอ่านถ้าเราตั้งใจแล้วเราให้สมาธิเป็นยังไงครับใจจะสงบคือเวลาอ่านนั้นกู้อ่านนะบางครั้งมันแปลกบางคนอ่านนั้นกู่าน้วรู้สึกตื้นตันร้องไห้ได้ทัานท่านที่ไม่เข้าใจ ซึ่งเราเลได้บอกในกุรอานว่าไงครับแล้วเราได้ให้ในคำพีอัลกุรอานเนี่ยสิ่งที่ว่ามันเป็นการรักษาเป็นการรักษาเป็นการเยียวยาคือต่อให้เราไม่ต้องเข้าใจความหมายถ้ามีความเครียดถ้ารู้สึกแท้ถ้ารู้สึกสับสนในชีวิตรู้สึกป่วยใครรู้สึกไม่ดีอะไรก็ตามอ่านอัลกุรอานใจมันจะสงบอันนี้คือความเมตตาหรือว่าหนึ่งในมุจจิศาสของคำพีเล่มนี้ที่ว่า อัลลอฮ์ประทานให้กับเราเป็นความเมตตาสูงสุดที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยคำภีเนี่ยให้หลายกลุ่มแล้วแต่คมภีร์ที่เหมือนกุรานไม่เคยมีมาก่อนแล้วคมภี์ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะรักษาไว้ก็ไม่มีมาก่อนนอกจากคำภี Al ์อัลกุรานนี่คือของขวัญล้ำค่าที่อัลลอฮ์มอบให้กับมุสลิมทุกคนกุรานไม่เหมือนเพลงนะกุรานไม่เหมือนเสียงเพลงถ้าเราสังเกตดูการฟังเสียงเพลง มันจะทำให้ใจเราสงบแค่ช่วงหนึ่งการฟังเสียงเพลงบางครั้งเนี่ยเราอยากจะสุขบางทีฟังเพลงสุขๆมันจะสุขไว้ช่วงหนึ่งบางทีเราอยากจะเศร้าฟังเพลงมันก็จะเศร้าไปได้ช่วงหนึ่งเสียงเพลงมันจะทำให้อารมณ์ของคนฟังไม่นิ่งสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่คนที่ว่ายุ่งกับบทเพลงนักร้องหรือว่าใครก็ตามที่ยุ่งกับเพลงมากๆเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยเก่ง จะควบคอารมณ์ได้ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเสียงเพลงท่านอรบิวว่าเสียงเพลงจะเพาะปลูกความกับกรอกในหัวใจของคนฟังคือสังเกตดูบางทีเราไม่ได้เศร้า่ฟังเพลงเศร้าๆบางทีเป็นไงครับอยากร้องบางทีคนอกหักไปหาเพลงอกหักมาเนื้อหามันไม่ตรงกับตัวเองหรอกแต่ฟังแล้วมันก็เหมือนกับว่า ม, ม, ม, ม, มันมันได้อารมณ์มันได้แล้วก็ร้องให้ไปด้วยเสียงเพลงเพาะปลูกความกับกรอกในขณะที่ว่าอ อ๋อสลายคุณครับวันคุณสลามัตต์รอปบารากาตูรรรครับพี่สาวที่เคารพรักของผมมาด้วยโออ่ะคือจริงๆขอโทษเรียกว่าพี่สาวจะตกใจกันเพราะรุ่นแม่ผมคือคือฮ้องฮ้องว่าพี่สาวแล้วจะได้กระชุ่มกระชวยไหมครับอ่าครับผมครับแต่ว่าผมเคารพเหมือนกับระดับแม่ระดับผลแม่ครับผมทีนี่ลกุราน ที่ต้องย้ำไว้นะครับว่าเมื่อคำพีอัลกุรอานเนี่ยไม่มีใครสามารถแต่งเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามเกียรติชังอิสลามอยากจะทำลายอิสลามเขาไม่สามารถทำลายได้ด้วยการเปลี่ยนกุรอานสิ่งที่เขาทำได้จะเหลือแค่สองอย่างมุคฮาสิก ท, ที่ว่าส่วนใหญ่เขาทำกันอย่างแรกที่มีเยอะมากที่สุดคือการพยายามแปลกุรอาน โดยที่ไม่ใช่ความหมายของมันคือแปลเพื่อให้เข้ากับความเชื่อที่เขาอยากจะเชื่ออันนี้คือหนึ่งในรูปแบบที่ว่ามีการทํำลายพยายามจะทำลายอิสลามก็คือบางคนบอกอัลกุรอานนะคุณแปลเองไม่ได้นะคุณต้องอฟังผู้รู้แค่บางส่วนเท่านั้นที่แปลต่อให้สำมือนตรงแค่ไหนก็ตามคุณไม่มีทางเข้าใจนอกจากจะต้องผ่านผู้รู้เหล่านั้นเท่านั้นซึ่งมันผิด เพระคำพีอ่านคุรานอาลัลลอฮ์บอกเราได้ทำให้มันง่ายก็แปลว่าต่อให้เป็นระดับพวกเราไม่ได้ภาษาหลับแต่คํามันต้องมีศิลคำมันต้องเป็นเหตุเป็นผลแต่ก็จะมีคนบางคนที่พยายามหรือว่าบางกลุ่มความเชื่อที่อ้างชื่อมุสลิมเนี่ยจะพยายามมาล้างสมองคนที่เป็นมุสลิมด้วยการยกคุรานมาแต่แปลโดยไม่ใช่ตามความหมายของคุรานอันนี้ที่ผมต้องขอฝากเตือนเอาไว้ว่ามีคนกลุ่มนี้ด้วย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะทำลายอัลกุรอานเขาก็บอกว่ากุรอานที่มีที่เราเนี่ยมันไม่ครบมันไม่ครบมีอยู่ที่เรามีแค่บางส่วนส่วนใหญ่เลยเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ซึ่งความเชื่อ น, นี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่โมฮัะล้านเปอร์เซ็นต์พ่อล้อประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาแต่ล้อปิดปิดมาไว้พันกว่าปีเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราบอกกุรอานสมบูรณ์แล้วนั้นบริคุนสละมาุตราวะบาร์กาตุรับ เรื่องอภิธารของคัมภีร์กุรานเคลียนะครับผมไปเร็วไปหรือเปล่าครับอันนี้คืออยากจะได้แลยนะครับผมคืออยากจะให้วาดภาพวิชาตัปซีตออกเริ่มจากเข้าใจกุรานก่อนงั้นถ้ามีคนถามว่ากุรานคืออะไรเราก็ตอบได้เลยว่าคัมภีร์อัลกุรานเนี่ยคือคําพูดของพระเจ้าคือไม่ใช่คําพูดของมนุษย์ท่านนบีมุสลิมไม่ได้เป็นผู้แต่งเองจะไม่อยู่ในหนังสือตัปซีตเล่นนี้นะครับผมเข้าใจว่า เล่อ น, นี้ไม่ได้บอกไว้เลื่อนี้ไม่ได้บอกไว้แต่บอกตามที่ความเชื่อของมุสลิมเราเชื่อก็คือกุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากท่านอบีท่านอบีไม่ได้คิดเองกุรอานคือคําพูดของพระเจ้าที่ถูกส่งมาให้กับท่านอบีมูฮัมหมัดสลลลของอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านท่านชิบะลินเป็นสำนวนของอัลลอฮ์เลยเป็นสำนวนของอัลลอฮ์เลยนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราเชื่อมั่นแล้วเราเชื่อมั่นว่าการอ่านคัมภีร์กุรอาน ต่อให้เราไม่เข้าใจความหมายหนึ่งอักษรที่อ่านเราได้1ิบความดีอย่างเช่นเราอ่านว่าบิสมิลลาบิสมิลลาประกอบไปด้วยบะอาลีฟซีนมีมอาลีฟลามลามฮาบิสมิลลาแปดสิบความดีแปดสิบเป็นเ้าสิบความดีอันนี้คือสิ่งที่มิสซิ่งเชื่อมันก็คือว่าเป็นคำพีที่ต่อให้ไม่ได้ความหมายการอ่านก็ทำให้อารอรักแล้ว คนที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำอัลลอฮ์ก็จะรักเขาเพราะถือว่าเขารักคำพูดของพระองค์พระองค์ก็รักเขาด้วยซึ่งการทำดีแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจที่ว่ามนศิดแห่งนี้ก็มีการเรียนการสอนกุรอานแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ว่าค่อนข้างจะชั้นนำครับเรียนการออกเสียงเรื่องอะไรนี่มาชาวเราและยอดเยี่ยม ก็หวังว่าจะมีโปรเจกต์โครงการดีๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยครับจะสาบุตรอนครับผมที่มีโโครงการอะไดีๆนะครั บ, รบอย่างั้นในเรื่องของกุฎานเรารู้แล้วกุฎานคือคําพูดของลอที่ถูกประทานมาให้กับท่านอับดุลเบี๋มัสลลัลลฮวงอะเลสลาลัมพานท่านชูบลินโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการจัดแปลงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยการอ่านกุฎา น, นั้นถือว่าเป็นการทําอิบาร์ดะก็คือการทําให้ลอรักล อ, ล อ, ลอพอใจถูกทุกหนึ่งอักษรที่อ่านได้10ความดี ถึงตรงนี้ท่านใดมีคําถามถามก่อนไหมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ความหมายของซูลอัลฟาติฮะไม่มีนะครับคือแต่ละท่านจะแบบว่าตั้งใจมาฟังใช่ไหมครับคือไม่ได้ตั้งใจจะมาถามนะครับมาเช้าแล้วแล้วมาดูความหมายของซูลอัลฟาติฮะเลยแล้วกันเพื่อความต่อเนื่องเวลาเราจะชั้นต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ซูระอัลฟาติฮะหรือว่าถ้าบ้านเราจะเรียกกันง่ายๆเราจะบอกเป็นซูระอัลฮัมดู <analyze> พเพราะง่ายดีง่ายดีครับการ pues เรียกชื่อซูรอเนี่ยก็เอาเอาที่ที่ได้นี่แหละแต่ว่าขอให้รู้ว่าถ้าชื่อซูรอเนี่ยปกติแล้วท่านอบีจะเป็นคนบอกซอฮาบะบอกซอฮาบะว่าบทนี้นะชื่อชื่ออย่างนี้บทนี้ชื่ออย่างนี้แต่การเรียกเรือยกันอย่างอื่นถ้าเกิดว่าเป็นที่รู้กันมันก็มีปัญหาเพราะอย่างเรียก อัลฮัมดุ่วกับอัลฮัมดุกก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าในซูลอฟฟาติฮะเนี่ยครับมันจะมีเก็ตเล็กเกตน้อยที่ว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนที่จะมาพูดคุยกันคําถามแรกก่อนเลยซูลอฟฟาติฮะแปลว่าการเปิดฟาติฮะแปลว่าผู้ที่เปิดทําไมถึงชื่อว่าผู้ที่เปิด แต่ละสุร้อมีชื่อชื่อจะมีความหมายแล้วก็มีประเด็นมีสาระที่อยู่ในชื่อนั้นฟาติฮาครับทำไมถึงใช้ถูกเรียกว่าเป็นผู้เปิดนักวิชาการมีหลายทัศนะมีหลายทัศนะมีท่านอยากแสดงความคิดเห็นก่อนไหมครับคุยกันได้ครับคุยกันได้อะฮามบูลีลาเปิดในการอ่านแลกุลาหเพราะเกิดเริ่มกุลาหปุ๊บอันนี้เป็นสุราอแรก เาะนั้นเป็นสุราเปิดมาเชาว่าครับผมเป็นหนึ่งในทัศนะที่ท่านราชการพูดไว้อีกทัศนะหนึ่งที่พูดไว้ก็คือว่าเป็นสุราที่ใช้ในการเริ่มการละหมาดเริ่มการละหมาดเริ่มกับสุราฟาติฮาก็เลยถูกชื่อว่าเรียกเป็นอัลฟาติฮาสุราฟาติฮมีทั้งหมดกี่อายะครับท่านบุอัลุสอวสลมเรียกสุราฟาติฮาว่าซับอุลมาซานี เจ็องค์การที่มีความงดงามเหมือนกันแปลว่าสุรต่านฟาติฮ์มีเจ็ดองค์การถ้าบอกว่ามีเจ็ดองค์การหมายความว่าองค์การที่หนึ่งคือบิสมิลลาฮิราะห์มิราะฮีไม่ใช่อัลฮัมดุบางทีเราจะเข้าใจว่าฟาติฮ์เริ่มด้วยกับคําว่าอัลฮัมดุจริงๆแล้วฟาติฮ์เริ่มด้วยกับบิสมิลลาหมายความว่าพูด ง, ง่ายๆครับท่านอบีบอกว่า ไม่ถือว่าได้ละหมาดสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้กล่าวอ่านฟาติฮะคือการละหมาดเป็นโมฆะถ้าใครไม่ได้อ่านฟาติฮะตอละหมาดเพราะฉะนั้นการอ่านฟาติฮ์นี่คือต้องอ่านทั้งหมดเจดอายะแปลว่าถ้าใครไม่อ่านบิสมิลลาห์ฟาติฮ์ของเขาไม่สมบูรณ์ละหมาดของเขาก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดจากความผิดพลาดไม่เข้าใจเข้าใจผิดเอารอดไม่เอาผิดแต่ตอนนี้เรารู้แล้วก็คือถ้าละหมาดอย่าลืมถ้ามีฟาติฮะต้องมีบิสมิลลาห์เสมอ ต้องมีบิสมิลลาเสมอเดี๋ยวรามาดูเรื่องความหมายอยู่ในสายรายงานปุ๊บที่ท่านลบีนําละหมาดท่านลบีไม่ได้อ่านบิสมิลลาดังแต่ท่านลบีอ่านอัลฮัมดุเลยเพราะฉะนั้นหมายความบิสมิลลาเป็นที่รู้ว่าต้องอ่านกันต้องอ่านกันแต่อ่านดังอ่านค่อยถือว่าเป็นความเห็นต่างในหมู่นักวิชาการซึ่งมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่ว่าต้องมาเอากันให้ถึงตายคือถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราอยู่ภาคเหนืออิหม่าแม่อ่านบิสมิลลาคือเรารู้อิหม่าอ่านอยู่แล้วแค่ไม่ได้อ่านดัง อีมาอะไรเนาะถ้าเกิดที่นักวิชาการมีความเห็นต่างกันในเรื่องสายรายงานในเรื่องสายรายงานแต่ว่าส่วนใหญ่จะเทน้ำหนักไปว่าท่านอาบีไม่ได้อ่านบิชมลัดดัง mm hmm. จะเทน้ําหนักที่สายรายงานบทนั้นครับทีนี้ในะเรื่องของสายรายงานเรื่องของการละหมาดจริงๆมาอยู่ในส่วนของฟิกแต่ว่าขอเกินตรงนี้ก่อนอเป็นข้อมูลวงกว้างก่อนก็คือว่าในเรื่องของการละหมาดเนี่ยปกติตอนแรกสุด mm hmm. เราอันนี้นอกเรื่องได้นะครับขออนุญาตนอกเรื่องนะ พูดเรื่องการละหมาดทําไมท่านนบีถึงละหมาดเป็นคําตอบก็คือว่าเมื่อท่านนบีได้รับบทก่อนก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยยุคนั้นมีการละหมาดอยู่แล้วแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างจากที่เราละหมาดไปบ้างอาจจะมีการแตกต่างไปบ้างแต่ว่าเมื่อท่านนบีมัสยิดซามได้รับบทบัญญัติการละหมาดที่ว่าลอปกําหนดให้ละหมาด5เวลาท่านชิบลีนได้ลงมาสอนท่านนบีถึงวิธีการละหมาด แล้วก็ได้มาสอนท่านบีเว่าเวลาละหมาดเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ซูโบฟัชรีเข้าเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ดูรีเข้าเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่อัลีเข้าเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่มักิบเข้าเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่อิชาเข้าเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ก็คือท่านชิบลีนคือมลาการ์ดุมาสอนท่านบีแล้วท่านบีก็มาสอนซาราบะซึ่งบางครั้งท่านบีก็ใช้เป็นการละหมาดให้ซาราบะดูท่านอับดรลเลาะห์ หลายช่วงที่ท่านอบีทําเป็นแบบอย่างไว้หลายรูปแบบเช่นเรื่องของการยกมือมีทั้งสายรายงานที่ว่าท่านอบดตักบี๊เนี่ยท่านอบียกมือถึงระดับอกกับที่ว่ายกมาถึงระดับหัวเมื่อมีทั้งสองสายรายงานซึ่งทั้งสองสายรายงานเป็นสายรายงานที่เชื่อถือได้ก็แปลว่าใครจะละหมาดด้วยกับสายรายงานไหนก็ไม่ผิดคือประการแรกที่เราต้องรู้ก่อนก็คือว่าการละหมาดเป็นอิบาดาจา ก, กอัลละฮ์เราคิดเองไม่ได้ เราคิดรูปแบบเองไม่ได้ทุกรูปแบบต้องเอามาจากท่านนบีแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ารูปแบบที่มาจากท่านนบีถ้าท่านนบีทําไว้หลายรูปแบบก็แปลว่าเราก็สามารถทําได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันหรือถ้าบางอิทิยาบทที่ว่าในบรรดาปราดมีความเห็นต่างว่าควรจะทิ้งน้ําหนักไปในทางไหนอันนี้เราก็เลือกในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะถูกที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการลงจากการเอติด้านเอติด้านคือการยืนยืนปุ๊บก็มี ท, ท, ญญทั้งคาสนาว่ายืนปุ๊บ กอดอกหรือไม่กอด อ, อกแล้วก็ตอนสยุดมีทั้งทัศนที่ว่าเอามือลงก่อนหรือเอาเข่าลงก่อนซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้ถ้ามีโอกาสได้คุยกันในฟิกมิชาละผมคงจะคุยอย่างละเอียดหน่อยแต่ตอนนี้ถ้าละเอียดมันจะไม่ใช่ตับซีดมันจะกลายเป็นฟิกไปแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกที่สุดนั่นแหละถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบฮะดีสได้เอง คือเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮะดิษผมก็ไม่ใช่ผู้ชี่ยาญเรื่องฮะดีษถ้าเราไม่ใช่ผู้ชี่ยาญเรื่องฮะดีษบางครั้งเราก็ใช้วิธีแบบมุกกลิศก็คือระดับชาวบ้านทั่วไปก็คือเราคิดว่าอาจารย์ท่านไหนที่ว่าน่าจะสอนแล้วน่าจะใกล้เคียงกับความถูกต้องที่สุดก็ให้ทําตามที่ท่านนั้นทําให้ถามหลักฐานสงสัยจังไหนให้ถาม แต่ก็คือถ้าเกิดความสามารถมีแค่ไหนลาหยูกาลิฟุลลอฮูนับสลินลาวุสะฮะอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถก็คือทําให้ดีที่สุดแค่ไหนแค่นั้นสองประเด็นเนาะทําให้ดีที่สุดก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ทําไม่ศึกษาไม่เรียนแล้วไปโยนให้อิหมามโตะครูอย่างเดียวไม่ได้คือเราทําดีที่สุดของเราแล้ะแล้วมันได้แค่ไหนแค่นั้นจบไม่ต้องไป เ, เครียดหรัวกดดันกับเตียงมากเกินไปเนีเรื่องของการละหมาดนี่นจาพาะพอเคลียร์ระดับหนึ่งนะครับ เรื่องของแต่ละมะัสยิดถ้ามีโอกาสเราจะได้คุยว่าทําไมถึงมีสีมัสยิดจริงๆไม่ใช่มีสีนะครับจริงๆมีเป็นเป็นหมื่นมัสยิดเป็น 1, พัน ม, ม, มัสยิดเป็นหมื่นมัสยิดมัสยิดน่ยเยอะคือถ้าเกิดว่ามีอาจารย์อาจารย์ก็ถือวเป็นมัสยิดแล้วละเอียดใหว่ากันแล้วมาคุยเรื่องฟาติฮา ก, ก่อนอัลสล่าฟาติฮานีมีเจดอายาัดอย่างที่พูดกันก็คือเริ่มด้วยคำว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิร์ราะหิมก่อนอ่านบิสมิลลาเนี่ยอัลลอฮ์ได้สั่งเราไว้ในคุรานบอกว่าก่อนที่เจ้าจ่าเนี่ยจง ขอความคุ้มครองให้ผลจากชัยตอนนี่ก็คือบทบรญยัติของการอาร่านอาอูดูบิลละฮิมนลชชัยตอนเนื้อราจีนถายว่าออกมาจากไหนอาัลลอสั่งไว้ในกรุรอานอัลลอสั่งไว้ในกรุรอานครับผมท่องไม่เป๊ต้องขอมาฟ์ด้วยครับผมเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กันผมขอเวลาจี้มนิดหนึ่งนะครับผม หมายถึงทุกครั้งที่เราจะอ่านกุรอานครับผ ม, ม, ามาหมายถึงว่าทุกครั้งที่ละหมาด ก, ก็คือมันจะมีการการอ่านกุรอานใช่ไหมครับเพราะมันจะมีต้องก็มีการอ่านฟาติฮาก็ให้อ่านอัลซูบิลลาแค่รากาแรกรากาเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งละหมาดเลยเช้าล่ะครับ อ, อ, อยู่ในสุร้อันนะลู่เป็นสุระอนที่16บหกในคุราน อายะที่98อัลลอฮ์บอฟะอดะกะรอตัลกุรอานะฟัสไซบิลเลหิมินาชัยตอเนาะรอจีมและเมื่อใดก็ตามที่เจ้าจะอ่านกุรอานก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้ผลจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งครับผมสอบถามได้นะครับมีอะไรผมชื่อยคนผมก็ไม่ได้จำํำครับ บิสมิลลาเราจะอ่านถ้าเกิดเป็นฟาติฮ์ต้องอ่านส่วนสุรอ้ออื่นก่อนเริ่มสุ ร, อระอแล้วจ่าอ่านบิสมิลลาแต่ถ้าเราอ่านกลางๆลางสุรอ้อไม่จําเป็นต้องอ่านบิสมิลลาอย่างเช่นบางท่านจ่านอายะคุรซีอายะคุรซีเป็นอายะที่25งร้อยห้าสห้าในสุรอ้อบักร้มันอยู่กลางสุรอ้อแล้วไม่อ่านบิสมิลลาก็ได้ <Okay. S 1> ก็เริ่มเอาซุบิลลาเลยแล้วก็อัลลอฮูลาอิลาฮิแล้ววะไถลกัยยุมเลยได้ครับผมงั้นมารยายในการอ่านกุรานนะครับก็คืออ่านอูซุบิลลาก่อน ก็คือก่อนละหมาดแล้วก็อัลอูซบิลลาแล้วก็บิสมิลลาแล้วก็อันซุรออันอะไรไปในเรื่องของการละหมาด ถ, ถ้ามีโอกาสเราจะได้คุยในช่วงของฟิกน่าจะต้องรอให้จบสวิชานี้ไปก่อนเราจะได้เจาะฟิกอย่างละเอียดซึ่งน่าจะมีสาระที่น่าสนใจกันเดียวอยู่เรามาดูองค์การที่ว่าหาคนเข้าใจได้ยากมากในซุรอฟาติฮะอายะแรกเนี่ยแหละครับอายะแรกก็ผมพูดตรงๆผมแทบไม่เคยเจอใคร แปลอายาแรกถูกเพราะว่าเมสแต่ในเล่มนี้ก็ยังแปลไม่ชัดขออภัยก็ต้องพูดตรงๆพูดกันตรงๆอัลลอฮ์บอกไงครับบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห์อมด้วยความด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยชื่อของอัลลอฮ์อันนี้ไม่มีปัญหาประเด็นปัญหาติดอยู่ตรงที่อั man, ลรอฮ์มานอัลรอหมเราจะคุ้นเคยว่าแปลว่าผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอ